ท่านพุทธศาสนินสนกชนนั้นหลายและบรรดาเพื่อนพิบิสุสมณเณรนั้งหลายวันนี้ก็ยังเป็นวันที่สิบตุลาคมสองพันห้ารอยี่สิบเอ็ดผมบันทึกเสียงครบทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคิดว่ามันจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ผมตั้งใจไว้แล้วว่าตั้งแต่สามปีมาแล้วจะบันทึกเรื่องนี้ถ้าไม่มีโอกาสบันทึก ถ้าจังหวะมีผมก็รีบถวยโอกาสในเมื่อเราศึกษาปฏิปทาตามที่องค์สมเด็จพ ร, ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำมาตั้งแต่ต้นจึงกระทั่งถึงปัจจุบันที่พูดมาแล้วเมื่อเศษก่อนอย่างนี้เราก็อย่าจงอย่าคิดว่าเราเป็นคนดีในเมื่อร่างกายของเรายังมีอยู่จงคิดว่ามันยังเลวอยู่ เพราะร่างกายนี้มันเลวเราอยู่กับของชั่วจงอย่าเข้าใจว่าดีแล้วก็จงอย่ามีความประมาทคิดว่าเราเป็นผู้ประเสริฐอันนี้ไม่ถูกต้องมันยังไม่ดียังไม่ถึงนิพพานเพียงใดอย่าเข้าใจว่าดีหรือว่ายังไม่ตายเป็นเทวดาหรือพรหมเพียงใดอย่าอย่าต้า น, นึกว่าดียับยั้งใจในได้ทั้นความดีไวจะได้ไม่ประมาท สมมุติว่าท่านหลายศึกษาตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลกสนาชทั้งโยนทิ้งบ้างเก็บเอาไว้บ้างมาหกคัดเสษ็จว่าถึงก็เสษที่เจ็ดนี้ก็มาซ้อมกำลังใจสมมุติว่า <c oughs> ท่านจะดูกถูกใครเขาเขียนหนังสือด่าอย่างนี้ <c oughs> เขาจะด่าหรือเขาจะวิจยัยก็าตามสรรพษาชาบ้านเขาจะกวดด่าผมจะอ่านให้ฟังมีคุณอะไรเนอะคุณสมโพศคุณพยายามเขียนส่งมาให้คุณสมโพศเวียงเพิ่มพันแหนกที่ดินการท่าเรือแห่งประเทศไทยกรุงเทพท่านมีความเมตตาประนีอุตสาส่งมาให้ผมก็ดีใจ ดีใจว่าได้รับคำด่าแต่ว่าจะไปโกรธเขาหรือไม่โกรธอย่าลืมนะผมยังเป็นคนไม่ดีนี่ท่านนั้นไหลลงทบทุกตันวนะหากว่าท่านโดนแบบนี้บ้างท่านจะมีความรู้สึกยังไงเราต้องเอาเครื่องนี้มีพิสูจน์อย่าเอาคำชมของชาวบ้านมาพิสูจน์เสมอไป คำชมก็ไม่กันรับคำชมแล้วดีใจก็ใช้ไม่ได้รับคำตาหนิแล้วก็กโกรธก็ใช้ไม่ได้ไม่ชอบใจนี่ก็ใช้ไม่ได้ต้องให้มันเป็นสังขารุเปเกศา ย, ยานวางเฉยด้วยกำลังของปัญญาแต่ก็จงอย่าเชื่อว่าเรามีปัญญาถึงที่สดุดก็ต้องล้มซ้อมอ ม, มาเรื่อยๆไปนังสือนี่เขาว่าอย่างนี้นิพพานแบบใหม่ ฟังให้ดีนะเคยถูกประสงค์ห้ามเขียนเรื่องที่ผ่านมาครั้งหนึ่งก็เชื่อท่านไม่ได้เขียนถึงมันนานทั้งที่ไม่ทราบว่าเหตุใดท่านจึงห้ามเขียนเรื่องอันลึกซึ่งเช่นนั้นมาวันนี้เห็นจะเียนทีจะต้องกลับมาพูดอีกเสียแล้ว เพราะว่ามีคนกำลังเอาพระนิพพานมาเล่นเป็นที่สนุกสนานถ้าไม่ปรามกันบ้างพระพุทธศาสนาก็จะมีคนละเหิดจากพรหมจรรย์มากยิ่งขึ้นต่อไปนี้เป็นข้อความในจุดหมายที่เพื่อนเขียนเล่ามาให้ฟังผมมีเพื่อนแท้อยู่คนหนึ่ง เขารักผมมากเขามีความรู้ชั้นปริญญาผมเพียงจบม .6 และก็จบปปที่กรุงเทพเขาชักนำผมมา น, นานเป็นสิบปีเพิ่งจะมาพูดกับผมรุนแรงเมื่อวันเข้าพรรษานี่เองว่าขอพูดนักแมะชักชวนเป็นครั้งสุดท้าย ถ้าไม่เชื่อก็ถือว่าเป็นบุคคลประเภทมืดคือเขาอยากจะให้ผมไปนิพพานอยากให้ดับสนิทชวนไปหาอาจารย์สำคัญวันคันหลายองค์ครั้งสุดท้ายชวนไปวัดท่าสงเจอดอุไทธานีแต่ผมก็ไม่ได้ไปเพราะใจผมไม่มีวาสนาถึงท่านก็ได้ เขากลับมาบอกว่างานนี้มีคนไปนับเป็นแสนแสนส่วนมากเขาเชื่อกันทำไมพี่จึงไม่เชื่อเขาเรียกผมว่าพี่แทนที่ผมจะเชื่อผมกลับสลดใจผมกลับว่าเขาเข้าใจผิดหลงผิดเขาหวางพลิตภัณฑ์มากเกินไปผมว่าเขาก้าวไกลเกินไป ผมไม่เชื่อในข้อนี้อย่างยิ่งคือก็ว่าพระอาจารย์ผูนี้ติดต่อกับดวงวิญญาณของสมเด็จพระพุทธเจ้าได้พระอาจารย์สามารถนําสิทธิ์ของท่านทุกคนในจํานวนแสนแสนคนไปถึงพระนิพพานได้สา ม, ามารถมาดพูดกับวิญญาณได้ทั้งหมดนี้ไม่จะเป็นเรื่องเล่ามาทางจดหมาย ก็มีเหตุทำให้เชื่อถือได้ว่าเป็นเรื่องจริงเพราะผู้เขียนจดหมายนั้นเป็นคนมีความรู้และยังทำงานอยู่เป็นหลักเป็นฐานที่นำมาเล่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเล่าตามจดหมายก็มีเหตุทำให้เชื่อถือได้ว่าเป็นเรื่องจริงเพราะผู้เขียนจดหมายนั้นเป็นคนมีความรู้และยังทำงานอยู่เป็นหลักฐาน ที่นำมากล่าวในที่นี้เพราะมีคนมีคำหนึ่งในจดหมายเขาว่าอยากจะให้ผมไปนิพพานอยากจะให้สดับอยากจะให้ดับสนิทซึ่งมีความหมายได้ว่านิพพานในทัศนะของคนทุกวันนี้นั้นก็เหมือนกับสถานที่ทัศนาจร เป็นที่ทัศนาจรแห่งหนึ่งซึ่งใครอยากจะชักชวนใครไปเที่ยวก็ได้และความเห็นของคนทุกวันนี้ก็อ้างเอาพระสงฆ์องค์ขวายามีชื่อวัดเป็นหลักฐานทางได้แกการกรมการศาสนาทําไมจึงพเพิกเฉยในเรื่องอัเสียหายนี้เนี่ยก่อนในเรื่องอเสียอันเสียหายเช่นนี้นะกระดาษมันยุกยิกจุกยิกมันเก่า เสียหายที่พากันเห็นว่าพระิพันธ์ธนเป็นสถานพักผ่อนหยนใจยังไม่เท่ายังไม่เท่าไรแต่ว่าคุยว่าสามารถพูดกับวิญญาณได้นั่นมันเป็นความเท็จครั้งยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธศาสนาที่เดียวเพราะวิญญาณไม่มีปากที่จะพูดกับใครได้ เรื่องลักษณะและฐานะของพระนิพพานนั้นเป็นอย่างไรผมก็ไม่อาจอธิบายได้แต่ผมเคยเห็นบทประพันธ์บอกลักษณะพระนิพพานไว้รกระจ่างชัดบทหนึ่งมานานแล้วจริงจำก็ท่องกระแท่นได้บ้างดังนี้เขาอ่านนิดเดียวนะรูปสะดับศูนย์ลูสดับสุรศัพท์ร้อมคำขาน พอกล่าวว่านร พ, พันไมสุกแท้เป็นสิวาลัยสถานเลยเลิศ ห, หายากกะไรยหายากจากเบียบแม่ที่ราบด้าวแดนใดแล้วก็ต่อตัวไหนอีกเนี่ยเขาต้องต่อหน่อยมันมีตัวไหนไม่ทราบที่นำลงมาทั้งที่อะ ที่นำมาลงทั้งที่จำไม่ได้แม่นยำจากเรื่องจากชอบบทสุดท้ายแต่อย่าไมายอย่าไม้ใช่โลกนี้โลกอื่นซึ่งแสดงว่านิพานนั้นไม่ใช่สถานที่เป็นที่แน่นอนเมื่อไม่ใช่สถานที่ที่จึงไม่มีไม่มีทั้งความว่างเปล่าและความสุขนิพานก็คือนิพาน และก็โดยที่ผมเชื่อลักษณะพระนิพพานเช่นนี้ก็เชื่อต่อไปว่าคนอยากไปนิพพานไม่ถึงจะอะไรไม่ไม่ถึงจะถึงนิพพานก็ได้แต่คนที่เกิดแก่เจ็บตายเข้าไปในเขตนั้นอะไรเขตนั้นไปถึงเท่านั้นก็ไดเห็นว่าพระนิพพานนั้นหากจะชี้ชักก็คือ จิตที่หลุดพ้นตามความหมายทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นใครอ้างว่าปฏิภาณพาคนปฏิภาณคนนั้นโกหกไม่ใช่คนถือสิงข้อมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปังดังสมาธิยามิอันนี้ก็ลงทดสอบใจบรรดาเพื่อนพิสูจ์สมณีทั้งหลายและญาติโยมพระธรริษัท ว่าถ้าโดนเข้าแบบนี้จะมีความรู้สึกยังไงเอ้สาหรับผมนะถูกด่าซะจนชินพวกคนรายการเดียวเขียนชื่อแบบนี้<ม>เขาเคยด่าผมมาหลายวาระผมก็ไม่อยากจะตอบไม่เห็นจะมีประโยชน์เพราะว่าทักว่าท่านอยกโกรธแล้วก็ทบทวนเสียใหม่ หันไปดูด้านกินเลสหยาบแล้วไปกิเลสว่าท่านที่เขียนหนังสืออย่างนี้ท่านเทียบกับข้อใดข้อหนึ่งที่กิเลสหยาบแลกิเลสได้บ้างที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอารมณ์นั้นให้โยนทิ้งไปแล้วก็ดูดีลามันว่าจะโกรธมากที่อ น, นิพ้ผานมาเป็นที่ทัศนาจรแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ต้องคิด ว่าเพียงแต่คนเขาบอกแล้วก็เพียงแต่รับจดหมายท่านก็เชื่ออันนี้ก็ไม่น่าโกรธเพราะอะไรก็ตามธรรมดาคนเหล่ากิเลสมันมากเพียงใดก็มีอารมณ์มากเพียงนั้นแล้วก็จงอย่าดนึกว่าผมเป็นคนไม่มีกิเลสแต่ว่าอารมณ์อย่างนี้ผมก็เฉยเฉยอะ พอผมรู้ว่าการเข้าใจพระนิพพานของท่านผู้นี้ก็ไม่มีการเข้าใจเรื่องวิญญาณก็ไม่มีการเข้าใจเรื่องอธิสมานกายก็ไม่มีก็รวมความว่าคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยและก็ไปพูดในสิ่งที่ตนไม่รู้ เรื่องดัหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอะไรก็ไม่ต้องมีใจกันก็รวมความว่าอย่างที่พราหมณ์ด่าพระพุทธเจ้าพราหมณ์ด่าอยากคนไร้เหตุผลองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงนิ่งแต่ว่าผมจะนิ่งได้เท่าพระเจ้าน่ากลัวจะไม่ไหวผมไม่ใช่พระพุทธเจ้า ไม่แน่ใจว่าจะนิ่งเรนนานหรือไม่นานถ้ายังนิ่งได้ดยกําลังใจเป็นสุขผมก็จะนิ่งถ้านิ่งไม่ได้โดยกําลังใจเป็นทุกข์ผมก็ไม่นิ่งเพราะว่าผมบอกแล้วนี่ผมไม่จะพระทรงฌานผมไม่จะพระอราหันต์แต่การพูดกระเวญญาณผมก็ไม่เคยพูดท่านคนนี้เข้าใจพลาด รับข่าวประเภทข่าวคมลอยข่าวคมลอยคือข่าวจอดจดหมายนักตีความหมายดักอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคนไร้การพิจรารณามีปัญญาสามอย่างนี้พระเจ้าบอกว่าถ้าเขาโกรธมาจึงอยาโ ก, กรธตอบถ้าโกรธตอบเราจะเลวกว่าเขา อันนี้ผมก็เลยตอนนี้นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าไปก่อนตามท่านไปก่อนจะเดินตามท่านได้สักกี่ก้าวก็ไม่ทราบถ้าบังเอิญพลัดจากพระพุทธเจ้ามาเลยอาจจะโกรธเขาก็ได้แต่ความจริงเรื่องพฏธิพาณบอกแล้วนี่เป็นของง่ายสำหรับคนดีคำว่าพากันไปนี่เป็นศัพท์ภาษาไทย ด้วยการจะให้พบให้เห็นได้เ็าใช้คำว่าอักขาตาโรตฐาคตาตี่พระพุทธเจาบอกว่าต ถ, ถาคตเป็นเพียงผู้บอกอการแนะนำที่ไหนจะมาก็ใช้คำอย่างนี้แต่ว่าศัพเพชบันก็ชอบใจว่าศัพเพชบาญก็ชอบใ้ว่าผ่าไปเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดา การพาไปก็ผมพาไปไม่ได้แต่แนะนําได้ทําได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องความสามารถของโผธรรมเรื่องคําว่าวิญญาณไม่มีปาดก็ถูกแต่ว่าคําไม่ได้พูดกับวิญญาณข้าพูทกายธิสมานในกายหากว่าท่านนางสองนี่ศึกษากําลังใจให้มีศีลบริสุทธิ์มีกําหนดสิบครบถ้วน แล้วก็สามารถระงับหิวรส่งประมีหานสี่ละสะเก็ข้งความชั่วออกทรงสเก็ข้งความดีทำปุพเพนิวาสามติยานกับทิพยกุยานให้ได้ตามที่พระเจ้าทรงแนะนำเรื่องทั้งหลายลเหล่านี้ท่านจะไม่มีอะไรเป็นทุกข์แต่ความจริงนี้ท่านทุกข์ทรงเดช เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับท่านเลยเนี่ยเพราะจริยาของท่านนี้มันก็ไม่ได้ยุ่งกับ น, นิพพานแต่จริยาแบบนี้ก็ไม่มีโอกาสจะยุ่งกับสวรรค์นภมโลกท่านจะยุ่งตามสภาพของท่านก็รวมความว่าทุกท่านลองสอบกำลังใจว่าท่านถูกเขาว่าอย่างนี้ท่านจะโกรธไหม ถ้าความไม่พอใจนิคอยู่มีอยู่ก็จงปราบตัวเองว่าเรายังดีไม่พอแล้วก็จงคิดว่าเราดีไม่พอต่อไปจนกว่าเราจะตายจากโลกนี้ถ้าตายจากโลกนี้ม่อไรถ้าถึงนิพพานดีแน่ถ้ายังไม่ถึงนิพพานมันก็ทุกต่อไปเราอย่าไว้ใจตัวเองตอนนี้ลงมาทดสอบจดหมายฉบับหนึ่ง ฉบับนี้ก็โก้ไม่น้อยบอกมาเลยว่าไปอาจารย์สอนภาวนาหรือว่าไปอาจารย์สอนกรรมฐานบอกชื่อมาเลยแต่ผมจะไม่อ่านชื่อทั้งนี้เพราะท่านเขียนอ้างสำนักที่อยู่จะเป็นสำนักใหญ่มากทางสำนักอาจจะไม่ทราบจะเป็นการกระทบกระเทือกันแต่จะบอกคณะของท่าน ว่าท่านบอกท่านบอกหนึ่งสามสี่คณะเนคัมมะสำนักไหนไม่บอกมาว่ายอยู่กรุงเทพสิบหกโทรศัพท์สี่หกเจ็ดสองี่สี่หกแต่ผมก็ไม่ขอบอกชื่อถึงแม้ว่าในคณะเดียวกันคนอื่นอาจจะไม่รู้เรื่องจะเสียชื่อคณะเสียชื่อวัด จดหมายคนท่านเขียนอย่างนี้นะที่ผมเอามาอ่านให้ฟังให้พวกท่านพิสูจน์กำลังใจว่าท่านหลายนะ่นถ้าโดนข้าแบบนี้จะมีความรู้สึกยังไงท่านเขียนวันในวันที่ 11, สิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้ารอยี่ิหกเรียนท่านมหาวีระทวโรที่นับถือผมได้อ่านหนังสือของท่านรู้สึกสนุกดีมาก แต่บางตอนทำาให้ลเกิดความสงสัยและก็ไม่อาจจะทนความสงสัยได้จึงได้จดหมายมาขอถามข้อสงสัยเหล่านั้นหวังว่าท่านมหาคุงไม่ดังเกียจที่จะตอบข้อข้องใจให้ผมทราบ ซ, ซึ่งมีดังนี้หนึ่งในหนังสือพระไตรอาหนังสือไตรภูมิหน้าสิบสามตอนที่หนึ่ง ตอนหนึ่งว่านารกไม่ใช่อยู่ใต้ดินมันมีโลกอีกโลกหนึ่งต่างหากอย่างนี้ไม่ค้ายกับคุธตานิ ก, กายธรรมบทหรือเทวทัต ก, ก็ดีนางกินมานิก า, ก, าก็ดีแม้สุปภาพเป็นต้นก็ดีล้วนแต่ถูกต้กนีสุกทางนั้นเดี๋ยวนี้ยังมีล่องรออยู่ใกล้ๆพระชีตะวัน นี่ตอนหนึ่งนะแล้วข้อสองในประวัติหลวงพ่อปานเพราะว่าหลวงพ่อปานขึงเบ็ดลาวนากาติปลาแสดงว่าหลวงพ่อปานมีฤทธิ์อันนี้ยังเล่นหรือเป็นศีลปรตปรามาสอันพระเดียเจ้าขันโสดาบันได้แล้วอะไรสดราบันละได้แล้ว ทำไมหลวงพ่อปานยังเล่นอยู่เห็นดีให้งามยังไงสามคาถาพระบัจจีกับพระเจ้ทาที่ว่าคนใบยงตั้งตรงจิตรวยเพราะคาถานี้ทำไมคนอื่นจึงไม่รวยบ้างโดยเฉพาะท่านมหาวีระน่าจะรวยอื้อฉาเพราะอยู่ใกล้ตำราและเรื่องนี้ก็ไม่ขัดกับกรรมหรือ ถ้าเป็นไปได้สอนขั้นการให้เขารวยๆจะได้ไม่มีคอรรับชั้นไม่ดีกว่าหรือสี 4. ในตำนานเทวทัวตเก็เหาได้บุคคลในนสีของท่านก็เหาะได้พระหลานก็เหาได้อยากจะทราบ ว, ว่าบุคคลในนสีของท่านที่ว่าได้เดิมนั้นเดินน้ําได้นั้นเป็นบุคคลประเภทพระเทวทัตหรือว่าประเภทพระอรหันต์ หวังว่าบัณฑิตวัดแทงวัดท่าสงคงจะได้ตอบให้หายข้องใจขอขอบคุณล่นามาในที่นี้ด้วยขอได้รับความนับถืออย่างยิ่ง <c oughs> อลองมาทบท ส, สอบใจกันถ้าเท่าเจอเข้าแบบนี้แล้วก็พวกคุณจะมีความรู้สึกยังไง คุณจะโกรธแล้วไม่โกรธมีความพอใจและไม่พอใจถ้ามีอะไรเกิดขึ้นถ้าทางไม่ดีต้องยับยัง้งจงคิดว่าความบ้าของคนในโลกนี้หาที่สุดไม่ได้จะไม่ดีนะคือบ้าอย่างอื่นไม่สําคัญเท่าบ้ากิเลสถ้าบุคคลใดยังไม่หมดกิเลสบุคคลนั้นก็ยังไม่หมดความบ้า ถ้าเราไปโกรธท่านที่พูดมาอย่างนี้เราก็ยังบ้ามากอธิบายบ้าๆเนี่ยผมไม่ได้ว่าคนเขียนให้ว่าตัวเราเองว่าถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้ก็ดีเรามีความโกรธท่านผู้เขียนอย่างนี้ก็ดีเราก็บ้าทางนี้พอะไรถ้าขืนโกรธเราต้องไปอบจากผมมันจะดีที่ไหน มันก็ไม่ดีถ้าพูดทั้งการข้อของใจนี่เราจะคุยกันโดยเฉพาะท่านว่าตอนหนึ่งนรกไม่ใช่โยใต้ดินมันมีโลกอีกโลกหนึ่งต่างหากอันนี้ตามเสียตรีภูมิที่ผมเขียนท่านบอกว่าอย่างนี้ไม่ขัดกับขุนิกายธรรมบทหรือพระเทวทัตกฎดีนางกินดมานิวิกายก็ดี ถ้าสุ ป, ปะพูท้ากดีล้วนได้ถูกตณีสุขทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ยังมีล่องลอยอยู่ใกล้ปจิตวันอันนี้ก็ขอบรรดาทุกท่านโปรดทราบว่าคำว่านารกโยนใต้ดินตามความรู้สึกของผมหรือใช้ความรู้ที่พระเจ้าทรงให้ไว้ในอุทมบริการสูตร อันนี้พอผมขืนเยืนยันว่าผมทำได้ผมทำได้มานานแล้วแต่ว่าความได้ผมจะแจ่มใสแค่นั้นเป็นเรื่องของผมผมไม่เด็กเลงใครว่าจะคิดว่าผมอดโอติรมนุษธรรมถ้าคนทำได้พระพุทธเจ้าไม่ทรงปรับถ้าใครมายุ่งกับผมผมก็จะแยกนี่งกายทันที พอผมบาดปวดมันนี่ผมไม่เคยพบว่าพระสังฆาธิการองค์ใดมาสนใจให้ความสงเคราะห์กับผมเรื่องจริงจังไม่มีชาบช่วยนิดๆหน่นนอยาเมาดีนะมีถมไปแต่อะไรที่มันหนักหนาหนั ก, น ก, นกใจได้ช่วยเหลือกันยังไม่เคยเจอแน่นอนนี่เราก็จะหนักใจทำไมนี่เมื่อเราต้องเลี้ยงตัวเราเอง ถ้าเขาไม่คบกับเราเราก็ไม่คบ ก, กับเขาแล้วเราก็ไม่อยากคบกับเขาอยู่แล้วโอกาสมันยังไม่มีถ้าโอกาสมีเมื่อไหร่ฉ่นก็จเลิกคบกับเขาทันทีนี่พร้อมแล้วที่จะเลิพวกพบกวับเขานี่ก็มาคุยกันว่านารกจะมาอยู่ที่ไหนท่านบอกว่านารกอยู่ใต้ดินความจริงในทั้งหมด์ท่านก็บอกว่านรกอยู่ใต้ดินไม่ใช่นรกอยู่ในผืนแผ่นดิน ใต้ดินนั้นมีโลกอีกโลกหนึ่งที่ดียกว่า ย, ย ม, มาโลกถ้าอยู่ในดินฝรั่งมันเจอนานแล้วมันไม่โง่เง่าเาต่าตนเมืันเราหรอกนะอันนี้ก็ของไม่ยากท่านอ้างว่าสุปปาพุทธกินดมานิก า, าเฏิวัติโภคธรณีโศดยังมีร่องรอยอยู่อันนี้ผมไม่เชื่อเลยครับไอ้ร่องรอยเล็กๆมันจะปรากฏไม่ได้ไอ้แขกนั่นมเล่นกลเก่ง แม้แต่กำแพงเมืองสุพรรณคูเมืองสุพรรณเนี่ยไม่กี่ร้อยปีคูใหญ่ลึกมากเพราะว่าการจังหวัดปัจจุบันเนี่ยพศสองพันห้า้อยยี่ิห้ายี่หกเนี่ยท่านเก่งมากสามารถบอกบุญผมลืมชื่อแต่บอกบุญคนได้เป็นแสนแสนวันเดียวแปดแสนเสร็จจะทํากําแพงเมืองและขุดคูเมืองสุพรรณก็ส่วนใหญ่จริงๆเป็นผืนพผ่นดินเรียบเขาปลูกบ้านทับลงไปแล้ว เกือบจะไม่ปรากฏเป็นรูปโคโคูเมืองก็ไอ้ร่องรอยข้างคนนิดเดียวมันจะปรากฏได้ยังไงเวลาตั้งสองพันปีมาผมไปแล้วแขกก็บอกผมไม่ยอมโง่าตามแขกใครอยยอมโง่เง่าเาต่าตุนตามแขกก็เป็นเรื่องของท่านเถยิ่งเปรอาจารย์สอนวิปัสสนาด้วยถ้าอาจารย์เป็นอย่างนี้ลูกศิษย์จะเป็นขนาดไหนก็แยกกันเดีวนีนะตอนนี้มีตอนข้อสอง การมีนหลงพ่อปา น, สนแสดงฤทธิ์ท่านไม่สแสดงฤทธิ์อวคราไปเวลากลางคืนถ้าถือว่าเป็นศีลปติบต์บารมี ก, ก็ไม่ถูกเป็นอาจารย์วิปัสนาได้ยังไงคนที่มีศีลปฏตาบารมีจะส่งฌานไม่ได้นะถ้ามีศีลไม่บริสุทธิ์สามารถไม่สามารถจะส่งฌานได้และอย่างนี้ไม่เห็นว่ามีอะไรผิดทำไมถึงเดือดร้อน นี่ก็ขอเตือนไว้ด้วยนะถ้าเดือดร้อนอย่างนี้ลงสิทุกข์หายแย่เรื่องกบโสดาบันพระปานเนี่ยทําเป็นพระโพธิสัตว์การแสดงฤทธิ์ไม่ใช่ของแปลกและไม่ใช่อดไขรเรื่องกถาพระประจริพระทธเจ้าก็เหมือนกันเขาไม่ได้รวยแต่นายประยงคนที่รวยตามมาเยอะแยะแต่นายประยงเป็นคนต้นผมก็บอกตามนั้น ถ้าถามว่าผมรวยมากผมตอบว่าผมรวยเวลานี้ญาติโยมให้ผมรวยมากผมรวยมาตั้งแต่ปัรษาที่หนึ่งพอเริ่มบวชผมก็มียรมพอความรวยมาอยู่ที่พอเวลานี้การสร้างวัดสร้างวาชืชอเวลาไม่กี่ปีญาติโยมพุทธบริษัทให้กันมากเวลานี้ก็ยังให้กันอยู่เวลานี้ขอพระเจ้าถึ่เป็นอาจารย์ภาวนาองค์นั้นเน่ะ ผมไม่ขอออกวัดหรอกจะเสียชื่อวัดเขาแล้วก็ไม่อ๋องมไม่ขอบอกชื่อคณะจะเสียชื่อคณะเพราะไปบุคคลคนเดียวคณะทั้งหมดอาจจะเห็นชอบด้วยมาดูความร่ํารวยของผมก็ได้ผมรวยตามโยมให้โยมให้ทำไรผมจ่ายเท่านั้นดีไม่ดีผมจ่ายเลยไปผมไม่มีเก็บเพราะว่าการเก็บไม่ใช่คนรวย มีเงินจ่ายทำเป็นสาธารณประโยชน์เท่าไหรถือว่ารวยเท่านั้นคือรวยตามที่พระเจ้าโครส่งสั่งสอนทอนนี้เวลามันจะหมดอีกอันหนึนานเทวทัตห อ, อได้หรือไม่ได้ตอนนั้นผมขอกลาบเรียนว่าเวลานั้นผมเลวเก่ากว่าพระเทวทัตสมัยที่ท่าห อ, อได้พระเทวทัตสมัยที่ห อ, อได้ท่านทรงอวิญญาห้าผมลองนิดเดียว ลองแล้วก็เล่าสมัยนั้นพระเทวทัตดีกับผมสมัยนั้นมากกระรงความว่าพระคุณเจ้าทีระผมก็ขอตอบท่านในบันทึกเสียงนี้แล้วก็ขอตอบว่าผมยังดีไม่เท่าเทวทัตในเวลานั้นเวลาที่วระเทวทัตเหาะก็เข้าใจว่าพระคุณเจ้าคงจะดีกว่าพระเทวทัตเพราะก็ยังไม่พูดเรื่องเหาะให้ฟังเลย ว่าการทรงบัญญาห้าเป็นเรื่องค้นดีไม่ใช่เรื่องค้นเร็วเทพหมดเสแล้วนี่ครับถ้าไม่หมดก็สนุกขอขอลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเด บ, บรรดาเป็นพุทธศาสนิกชนผู้รับปังทุกท่านสวัส